เพียงสมมุติว่าหยุดคบกันใจฉันก็สั่นเหมือนคนเป็นไขรถ้าในความจริงสองเรามีอันห่างไกลผลลัพธ์ที่เกิดกับใจก็คงมันตายจากกันด้วยความรักนั้น ก้าวผ่านห่างใจอ่อนไหวเพลอใจให้เธอเกินกันขอบคุณเวลานำพาเราใกล้ชิดกันจากเพื่อนเลืมอนเป็นผู้พันเพียงก้าวห่างกันวันไห่ขาดเธอไม่ได้ หัวใจขอสารภาพกดโทรศัพท์รักฉันก็ยังน้อยใจอยู่ใกล้จงชินไม่อยากได้ยินคำว่าไกลขอร้องอย่าทำร้ายใจด้วยการนี้ไปห่างกัน สิ่งใดนั้นที่ผ่านพ้นมาหนักหนาจนเธอไร้ความเชื่อมันเจ็บจนเหลืออดก็โกรธได้แต่อย่านาเพราะใจที่ทรมารคอยนานจะผ่านสิ่งล้ม เธอไม่ได้หัวใจขอสารภาพกดโทรศัพทรักชันก็ยังน้อยใจอยู่ใกล้จงชิมไม่อยากได้ยินคำว่าง่าขอร้องอย่าทำร้ายใจด้วยการหนีไปห่างกัน สิ่งใดนั้นที่ผ่านพ้นมาหนักหนาจนเคยไร้ความเชื่อมันเจ็บจนเหลืออดก็โปรดได้แต่อย่านานเพราะใจที่ทรมานคอยนานจะผ่านสิ้นลม และะ้วค่ะกลับมาพบกับประวัติของก๊อดจักรพัรด์นะคะหรือฉายาเจ้าทายลึกทุ่งคะ่ะจากที่กล่าวมาในตอนที่แล้วน ะ, ะว่าก๊อดเนี่ยเดิม เป็นเด็กเสิร์ฟในโรงแรมแล้วทีนี้มีช่างขาย เ, าเป็นเซลแมนขายเครื่องเสียงมาลองอถูกใจเด็กคนนี้เอาไปตลอนทัวสักสองปีแล้วตอนหลังก็ไปอยู่ร้านร้านคาเฟ่จนกระทั่งมาเจอกับพี่เต๋อเรวัตแล้วก็ได้มาร้องเพลงให้กับแกรมมี่นะคะกอเนี่ยคือตอนหลังเนี่ยมาทำเพลงแนวสตริงมันไม่ดังอะ่ะคือมันคนมันไม่ติดหูอะ่ะ ก็เลยมาปรึกษากันใหม่ว่าเอ๊หรือจะมาเป็นเพลงลูกทุ่งเอาจริงๆนะก็เลยลองนะคะมาอยู่แนวลูกทุ่งชื่ออัลบั้มแรกก็คือว่ากอดหัวแก้วหัวแหวนนะคะแล้วก็ออกมาพร้อมกันถึงห้าชุดเลยเนี่ยถึงแม้ว่าจะสร้างหลายอัลบั้มพร้อมๆกันนะห้าชุดเนี่ยแต่ท่านผู้ฟังทร้างไหมคะขายดีคะ่ะดีถึงสองล้านตลับอะ คือดังเปรี้ยงเลยอ่ะตอนนั้นนี่คือถ้าขายได้ล้านตาลับนี่ว่ารู้แล้วนะแต่ก๊อดนี่เหนือกว่านั้นคือสองล้านอะคือเวอร์ค่ะตอนนั้นนี่คือเขาชอบเ อ, อคนเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแนวเพลงลูกทุ่งเพราะชอบเอาดนตรีแบบไทยสากลนอะมาผสมในเพลงลูกทุ่งหน่อ ย, อยเพราะฉะนั้นเนี่ยเพลงลูกทุ่งในสมัยนั้นมันจะเป็นกลึงกลึงลูกทุ่งบวกสตริงบอกไม่ถูกอะ ะะตอนแรกเนี่ยก็โอ้ยคนเขาก็ไม่รับหรอกโุ๊ยสมัยก่อนเนี่ยเขาต่อต้านขัดขัดแย้งกันเลยนะแต่ว่าพอฟังไปฟังไปก็ชินหูตอนหลังเนี่ยคือเพลงลูกทุ่งประยุกต์เนี่ยกลายเป็นดังไปนะคะซึ่งก๊อตเนี่ยเป็นตัวบุกเบิกเลยต่อมาค่ะกนี่ก็ออกอัลบัม้มชุดที่4ถึง9กลายเป็นว่า9ชุดของก๊อตเนี่ยขายไปส0บกว่าล้านตลับค่ะคันผู้ฟังดังจริงๆ ซึ่งกอดเนี่ยนะคะก็ได้มีส่วนร่วมในการผลิตอัลบัม้มเพราะว่าอย่าลืมนะแกรมมี่สมัยก่อนเนี่ยไม่ถนัดในการจัดการเรื่องลูกทุ่งนะก๊อดีเป็นคนเลือกเพลงเลือกดนตรีจัดหานักเต้นแต่งก ง, แ ต, งแต่งกายซึ่งกอดเนี่ยถือว่าเป็นเทพนะส่วนไอ กรณีเครื่องแต่งกายของก๊อตท่านผู้ฟังเคยสังเกตไหมเวลาไปดูโชว์ของก๊อตอ่ะหุยอลังการงานสร้างมากคะ่ะท่านผู้ฟังคะ่ะเพราะว่าพี่มดน่ะคนที่เขาดูแลชุดนักเต้นให้ก๊อตเนี่ยเคยเป็นดีไอซเนอร์ของอ l คาซาซึ่งอาคาซาเนี่ยโ้ดังอ่ะทางด้านพวกแต่งชุดของสาวประเภท2ตอนโชว์กลางคืนน่ะมันก็อละอัหลามบวบบวบคือแบบทาให้กตเนี่ยดังมาก กลายเป็นสีสันไปเลยนะคะตอนหลังๆเนี่ยแฟนคลับเนี่ยชอบก๊อตเพราะว่าชุดที่อลังการค่ะเ อ, อแต่จริงนะชุดอลังเห็นไหมตอนหลังเนี่ยกลายเป็นว่าอะไรใครไปประกวดดนตรีของรายการชิงช้าสวรรค์อะ่ะชุดต้องอลังเหมือนก๊ God อตอ่ะเนี่ยเก๊อตเนี่ยเป็นคนบุกเบิกเรื่องนี้เลยศิลปินนะคะชื่อ ก, ก๊อตจักพันเนี่ยประสบความสําเร็จมากขึ้น บ้านก็ดีขึ้นเพราะเขาเนี่ยเป็นคนที่กระตันยูค่ะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทุกบาท ท, ทุกสตางค์ในบ้านของแม่และน้องแล้วก็เนี่ยนะคะกดดังในอัลบั้มชุดที่สี่ค่ะก็ชื่อว่าเจริญเจริญสนสาเหตุที่ก๊อตมาเปลี่ยนชื่อว่าก๊อตจักรพันธ์คอนบุรีธีระโชตเพราะว่าคือ เป็นคนเกิดวันศุกร์เขาก็บอกไม่ถูกชโลกน ะ, ะกับเรา เ, เ, เรือหลายตัวให้เปลี่ยนนามส ก, กุลนะคะส่วนเพลงของก๊อตเนี่ยที่ดังๆนะมีหลายเพลงค่ะอย่างเช่นอย่าปล่อยให้เธอลอยนวลเอาจำได้ไหมวอนดีเจยอย่างนี้ อ, อหรือว่าคุณโอเคไหมโอ้โหแต่ละเพลงนะ ดังจริงๆคนอกหักพักบ้านนี้อย่างงี้ความรักเหมือนยาความรักเหมือนยาขมมาลัยดอกรักเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะไปฟังเพลงนะคะที่ชื่อว่าคุณโอเคไหมกันค่ะและเดี๋ยวในวันพรุ่งนี้นะคะอย่าลืมติดตามดีเจแอมจะมาเล่าประวัตินักร้องลกทงคนไหน อามกันให้ได้เลยนะคะ เพราะสายตาตลอดเวลาไม่เคยห่างเธอคนเลยมักค้นเจออ า, ากาศที่เธอเป็นไปเหตุใดเธอเงาจันอย่าปิดบังฉันเลยแกวใจ สัญญาณความห่วงใยกระพริบไฟว่าใจเธอมนกังวลในเรื่องงานหรือทางบ้านทะาวนวยอะไรคือเหตุผลทำให้คนลืมยิ้มได้คุณโอเคไหมเป็นอะไรหรือเปล่า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 เป็นห่วงเธอขอโทษที่ห่วงใหญ่พอใจฉันเป็นห่วงเธออ่ะอ่ะ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 สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวให้คุณป้าแนะนําชื่อนามสกุลแล้วก็ที่อยู่ค่ะได้เยาวภาวันดีนะคะบ้านอยู่เออยวชิรวงนะคะหนึ่งหนึ่งสีเก้าสักแปดค่ะอยู่ที่ซอยวชิรวงค่ะก็ปวดเข่ามาเดี๋ยวตําบลอะไรคะอยู่ตําบลอะไรคะตำบลนครสวรรคตกจ่ะหนออ่าอำเภอจังหวัดนครสวรรค์ค่ะก็เป็นโรคเข่ามาตั้งแต่ห้าศูนค่ะ นะคะแล้วก็ไม่ไม่ดีเลยแล้วต่อมาผ่าตัดก็ไม่ดีขึ้น<ม>แล้วก็เดินใช้ไม้คำ้ำเท้าค่ะใช้ไม้ค้ำอยู่ตลอดก็เดินพอมามาฟังคําแนะนําของที่นี่มีเพืชลเขาแนะ น, าะนะํามาค่ะเนาะว่ามอปีห้าหกเนี่ยห้าเ<ม>จ็ดเขาแนะนํามาแล้วพอกินแล้วมันดีขึ้นนะคะ<ม>พอดีขึ้นมาก็ทานไปเรื่อยๆทานไปเรื่อยๆข า, า, านมั่งกินมั่งไม่กินบ้างป้าเนาะค่ะนบ้างไม่กินบ้งาง ก็กินมาระยะหลังก็กินได้สามขวดทันนี้หายมาได้ประมาณจะตั้งแต่ปีห้าแปดเนี่ยค่ะรอบประมาณกลางปีห้าแปดอะแล้วหัวเข่ามันดีขึ้นอะเดินแล้วมันดีขึ้นอืทีนี้แปกน้ําหักน้ำได้ทั้งวันเลยเข็นของได้ทั้งวันไม่ปวดอืมเอ๊ยคุณหยงค่ะเห็นเห็นที่บอกว่าก่อนหน้านี้มีลักษณะเป็นก้อนบริเวณใต้ก้นย้อยด้วยเหรอคะ ใช่เป็นก้อนที่ที่ที่ไส้ก้นย้อยอ่ะเป็นเม็ดเป็นเม็ดเ่ย ม, มันเหมือนจะเป็นชีสอ่ะเท่าหัวนโตเนอะแข็งแข็งเป๊กเลยแล้วก็เวลามันปวดนะป้าจะเดินไม่ได้เลยมันปวดอืถ่ายของพีปวอทํางานทีแล้วก็วิ่งไปนั่งทํางานทีแล้วก็วิ่งไปนั่งขับรถนั่งไม่ได้เลยป้านั่งไม่ได้เลยนะคะนั่งแล้วปวดแต่มันปวดล่ามาถึงหลังยันคอเนี่ยมาหาหมอหมอเขฉีดยาให้ อยิกยาไปคักหนึง่งหมอบอกว่ามันถ้าไม่งั้นมันโตขึ้นทุกวันมันก็จะต้องผ่าตัวนี้เนาะก็มาสั่งอีกขวดนึง่งพอกินขวดหลังเนี่ยกินไปได้แค่ครึ่งเพื่อแค่ห้าสิบมลก็มาดูทีมันไม่มีแล้ว อ, ะอ่ะอ๋อสีทหายไ ป, ไปเลยเหรอคะมันหายไปเลยจ้ะอตอนนี้มันก็หายหายไปเลยนะเรื่องจริงๆรี่เชื่อลองมาทำดูได้เลยเพื่อ น, อ เ, อนเขาก็มาดูว่า ม, มันเป็นอะไรเนะี่ยหมอนวดเขาไม่้านวด อ้ว น, นทุกป้าป้าจะมวดทุกเจ็ดวันเลยนะค่ะเจ็ดวันทีสองร้อยเจ็ดวันทีสองร้อยก็ได้แค่คลายไปสักหนึง่งก็วันสวันก็เป็นอีกแล้วตรงไหนนะเนายนวด <Okay. S 1> เราไม่หายไม่หายไม่หายก็คึงไม่ได้ก็กลัวก็กลัวเราจะเป็นคิดมากก็กลัวจะเป็นโรคเหมือนอีกไม่สบายใจเลยทีนี้ก็นี่ฮะมาสั่งลองกินดูเขาบอกเป็นก็เคยเคยสังของที่คนที่อยู่ ราชบุรีเนาะเขาอบอกเขาเป็นเอออะไรตรงที่ใต้คอเนี่ยตรงทางอะ่ะค่ะเนาะก็เคยฟังวิทยุว่าอยู่ๆก็าหายไปเลยที่เป็นก้อนเนื้อนะก็คืออะไรไม่ได้ตรงนั้นนะ่ะตอนนี้มันหายป้าก็ลองมาสั่งหนูรุ่นหลังเนี่ยมาห้าแปดเขาไปไี่ซีนระยะเนี่ยตอนเนี้ยมันไม่มีเลยนะสักเม็ดือ ม, มันจะเล็กลงเล็กลงพ่อเม็ดถักเขียวพ่อเม็ดไอ้อะไรสอกคูใหญ่อะ่ะออื ม, มันก็เป็นเทโนิตขนาดนี้ไม่มีเลยนะ แล้วป้าก็ป้าไม่ได้กินมากี่เดือนแล้วเนี่ยแปดหกเจ็ดเดือนแล้วไหมหกเจ็ดเดือนอล้วไปเจ็ดเดือนประมาณเจ็ดเดือนนับเื่อเลยสิบเดือนนู้นเลยเนาะค่ะทีนี้เห็นเพื่อนเขาเข้ามาแล้วเขาบ่นเห็นเขาเดินขาไม่ค่อยดีเห็นเดินเดินไม่ไหวเดินทู่เราไม่ได้แต่ไหนก็เดินทู่เราไม่ได้ก็เลยเนี่ยจะสา่งให้เขาเอะเราป้าร้องไห้เขาพูดว่าสิบเดือนแล้วก็ดีขึ้นป้าหาหนูถามป้านิดนึง เออคุณป้าเนี่ยตอนนี้ละไม้เท้าได้แล้วหรือยังคะโอ้ละมานานแล้วค่ะละมานานแม่ละมานานตั้งสองปีแล้วนะแสดงว่าที่ที่ที่เคยใช้ไม้เทา้าตั้งแต่ปีห้าศูนหายหมดแล้วหายหายเราจะนี้เป็นจตกระติกค่ะแล้ ว, ลวลใช้ใ ช, ใช้ผลิตภัณฑ์มูลไบเริ่มตั้งแต่ปีห้าเจ็ดเนาะห้าเจดไม่กี่ชุดเองนะรู้สึกนะใช้แค่ไม่หมดสองทั้งหมดใช้ไปประมาณห้าชุดเอาไปห้าชุด กินกินขาดๆหรือเหลือกินสองเดือนสาเดือนเบาปีก็ไม่กินอป้าพอเสียดายมาน่ะก็เอามากินใหม่พอมันหายแล้วป้าก็ไม่กินดีขึ้นพวมันปวดแล้วป้าก็เอามากินใหม่ได้อ่ะกลางปีห้าแปดเนี่ยไม่ได้กินเลยไม่ได้กินเลยแล้วมันดีขึ้นอก็ดีขึ้นก็ดีขึ้นมาจนทุกวันเนี้ยิวของยิวอะไรได้ของหนักได้อะไรได้ขับรถสบายหมอนวดเราก็ไม่ได้เสียเงิน เสียดายเวลาเสียดายที่ป้ายังรู้จักบริษัทมูลไบรท์อ่ะนะช้าไปหน่อยช้าไปหน่อยแล้วก่อนไม่มีวิทยุตอนนี้มันไม่เต็มแล้วเราก็ไม่รู้มันไม่ได้กินอ่ะอย่างเงี้ยนะก็หายไปแล้ะสุขภาพก็ดีได้เกี่ยวกับสุขภาพก็ดีไขมงไขมันไม่รู้เป็นไงไขมันหายหมดเลยไขมันสี่ร้อยไขมันสามร้อยสี่รอยกิลของโรงงยาบาลอ่ะอย่างนี้ไม่ไม่มีไขมันเลยนะอืมเราหนักก็คงที่ น้ำหนักสิบสิบสามเดี๋ยวนี้เหลือหกสิบสองโอ้โหมันหายไปเองมาดูได้เลยเนะี่ยตรง น, นี้นะน้ำหนักน้ำหนักลดเยอะเลยค่ะมากนะก็มันก็กินเป็นปกติเลย อ, ะอ่ะเนาะขอบคุณนะคะก็อยากให้เอของคนที่เป็นอยู่แนะนําคนที่เขาสุขภาพดีก็ก็จะแนะนําเข้าไปนี่แหละเราก็เออ่เพื่อเป็นบุญบอกเป็นแชร์ทานไปเนาะก็ะไม่แทงนักเราก็กินได้ก็พอกินค่ะ อยาขอบคุณนะคะค่ะขอบคุณคุณป้ามากค่ะค่ะจ้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชามือชาเท้าปวดเมื่อยตามร่างกายนึกถึงชุดน้ํามันมูลไบร์ย้ำชามือชาเท้าปวดเมื่อยตามร่างกายนึกถึงชุดน้ํามันมูลไบร์จะปวดหรือชาแค่ไหนอย่าลืมใช้ชุดน้ํามันมูนไบร์สอบถามได้ที่เบอร์ศูนย์ แปดหนึ่งสามเก้าสี่หกเก้าเจ็ดเจ็ดจำศูนย์แปดหนึ่งสามเก้าสี่หกเก้าเจ็ดเจ็ดเรามาฟังตัวจริงเสียงจริงของคุณสัปรานเจตตบุตรกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะให้คุณลุงแนะนำชื่อนามสกุลและที่อยู่ค่ะ สำราญเจษฎบุตรนะครับอยู่บ้านที่4333ตำบล น, นครสวรรค์ตกอำเภอเมืองจังหวัด น, นครสวรรค์หมู่10ค่ะอยู่หมู่10ตำบล น, นครสวรรค์ตกอำเภอเมืองนะครสวรรค์นะคะค่ะคุณลุงสำราญอาการก่อนที่จะมารู้จักกับมูลไรทคุณลุงเป็นอะไรมาคะ โ, โหปวดขาปวดเข่าเหน็ดช้าทั้นตีนนั้งมือเลย โ, โหนแดงจำไม่ไหวเลย พอไปิดไปชุดนึงรู้สึกว่าดีขึ้นแต่ยังไม่ค่อยดีมากแนละ้วมันชุดเล็กอะอืมมันก็ใช้เวลาต็ น, ตน้ยาหมดผมก็สั่งต่อครับคุณลุงที่บอกว่าปวดขาปวดเขา่าชามือชาเท้าเนี่ยเป็นมา ก, กี่ปีคะลุงโอ้ประมาณสามปีนะหนูสามสี่ปีนะจ้าจ้าแล้วลุงเคยรักษามาก่อนหน้านี้ไหมโอ้จริงยาวเลย พั 5, 500, 1, 500, นห้าพันห้าร้อยพันห้าร้อยในมิลค ก, กีอย่างแล้วกินมาไม่จมหมดทุกอย่างแล้วก็ไ <c oughs> จนจะเบื่อแล้วนะ่ะ <c oughs> จนจะท้อแล้วออืกินมาเยอะจนไม่หาย <c oughs> จ้าเ <c oughs> มื่อไรพวกโฆษณาในมิล่ะกินแม้ทุกอย่างแต่มันไม่ค่อยดีอ่ะอืค่ะแล้วคุณลุงยังไม่มเจอบนใบรู้สึกว่าเออถูกถูกกับโกเรา <c oughs> อ่ะออมาเจอบนใบก็เข้าท่านะจ้าจ้าจัดแค่ชุดเดียวนะผมว่า เออมันรู้สึกกระเจี้ยงขึ้นเยอะเลยอือแล้วคุณลุงมองว่าผลิตภัณฑ์มูลใบเนี่ยเป็นยังไงราคาสูงไปไหมไม่สูงเลยครับราคาไม่สูงเลยอย่างรู้สึกว่าขนาดเผาเอาตังมาซื้อในกนในสองสองพุดได้สบายเลยเจ้าหนี้ซื้อมาอืมค่ะอ่าแล้วคุณลุงมีอะไรจะฝากกับท่านผู้ฟังไหมคือบางคนเนี่ยสั่งผลิตภัณฑ์แบบอย่างเงี้ยมาเยอะ แล้วก็มันก็ไม่ดีขึ้นเขาก็กลัวไงว่าไม่กล้าจะมาทดลองอะไรใหม่แล้วคือกลัวว่าเดี๋ยวจะเป็นเห <คน S 1> มือนอย่างเก่าถ้าคนทีน่เจ็นอย่างผมนี่กทีนชามือชาปวดข่าวปวดหลังปวดอะไรเนี่ยเราลองใช้ดูเหรอรู้สึกวัดชุดเดียวนี่มันจะตัวเบาเนื้อเบาตัวเยอะเลยทุดเดียวนี่นะค่ะท<า>ี่ตัวเบาเนื้อเบาตัวคล่องแคลว ด, ดีเยอแต่ผมมันยังมันแค่ทุดเดียวนะมันจะรู้สึกกับ ห้าจุดเปอร์เซ็นขึ้นมาดีขึ้นห้าจุดเเซ็นต์ค่ะค่ะเห็นไหมคะท่านผู้ฟังนี่แค่ชุดเดียวยังประทับใจขนาดนี้เนาะจ้จ้ะเดไปเรื่อยเนี่แบบดีขึ้นแน่นอนค่ะเออแต่น้ํามันดีจริงจรนั่นน้ามันนีชาก็ไปร้อนแต่พอสักลักมันจะเย็นรู้สึกว่ามันจะขายเลยขายเส้นลายอะไรจริจริงอค่ะเหมือนชาเท้าชามีรู้สึกว่าได้ผลมากเลยอ่ะค่ะคุณลุงคะคุณลุงอายุเท่าไหร่คะเนี่ย หกสิสี่ะครับหกสิบสี่แล้วก็ยังใช้ของมูลไนได้นะคะจ้าจ้าจ้าทางรายการมูลไนนะต้องขอขอบคุณคุณลุงสำมราญเจตบุตรที่อยู่หมู่ติดบลนครสวรรคตกอําเภอเมืองนครสวรรค์นะคะครับครับขอบคุณมากค่ะคุณลุงครับขอบคุณครับหากท่านใดอยากป้องกันบรรเทาอาการปวดเมื่อยไม่ว่าจะเป็นปวดหัวเข่าตักคริวนิ้วล็อก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 ติดเครื่องชะลอจะจากอุบลเลี้ยวลาย่างยังเห็นหน้ามอบคนสวยแฟนพี่โบกมือไหว้ไว้ที่ลาคนเดิมบนน้ำคงเจอกันใหม่ยังคิดถึงแกงหน่อไมยใส่กุจีน้อยพี่มือเนื้อทอก่อนจะจากไกล ภาพน้องสามัยติดตาบ่ลืมคำเวาอันแสงดูดึงบ่ให้พี่ลืมเปลี่ยนใจจากน้องสิลืมจังได้หัวใจพี่ทางสีห้องยกให้นางเดียวครอบครอน้องจงอย่าได้อาวอดอกกากะเล่า บานเจ้าเมื่อกลางเดือนสิจำบ่ลืมเลยแม่คนดีวันน้องกับพี่สุขใจอ้อมซอสัญญาฟังโมว่าเขาหากันแน่นอนวันนี้พี่ต้องจากกอหักใจอำลาไปหาเงินฟอโบอกเมื่อย้อยยอน ตานอนสัมอีฝากความอาไลดังเหมือนมีความโกกใจสะท้อนสวงในให้หวงอาวอที่ลาคนเดิมลาเดินแม่คนตาองอลับตาสวงพี่สะท้อนพอผ่อนรัร น้องซ้ำออีฝ่าความอาไลดังเมืองมีความอกใจสะท้อนสวงในให้่วงอ า, าวอพี่ลาคนเดินลลาเดินแม่คนตางอหลับตาสวงพี่สะท้อนพอพอนรับพูดแม่ มาฟังตัวจริงเสียงจริงของคุณกอบแก้วเรืองศรีกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะเดี๋ยวให้คุณกอบแก้วแนะนําชื่อนำสกุลและที่อยู่เลยค่ะค่ะชื่อกอบแก้วเรืองศรีสี่สามสี่ท่าหกเก้าหมู่สิบนครสวรรคตกอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ค่ะค่ะคุณกอบแก้วทําอาชีพอะไรคะออ๋ตอนนี้เลี้ยงหลานค่ะเลี้ยงหลานอายุเท่าไหร่คะตอนนี้หรอคะเข้าห้าสิบแล้วค่ะเข้าห้าสิบแล้ว เออคุณกอกแก้วเดิมเนี่ยมีอาการปวดแล้วปวดขาค่ะวปวดขามากแล้วก็ปวดกระดูกต่ำ ม, มือเนี่ยแล้วก็เป็นนิ้วล็อกค่ะอันนั<ม>้เป็นบอกว่านิ้วล็อกนี่เป็นหนักมากกำมือไม่เข้าเลยเหรอคะใช่ค่ะกำไม่ค่อยได้เลยก็นั่งฟังบุญไว้เนี่ยวันจังหวะซักผ้าก็ฟังเอ้ยลองเข้าท่าย พี่ปังปังดูอะไรที่เขากินกินนะเอ๊ะเขาหายกันทุกคนนะก็ลองดูไงสังมันน้อยก็ลองสั่งมาสั่งมาแต่แฟนเขาบอกกินรู้สึกดีนะแฟนอะแต่แฟนเขาไม่ออกรายการเขาบอกมึงออกไปเขาว่างนั้นเขาบอกถ้าเขาถามแล้วมึงก็ออกรายการไปแก้วกูไปเอากูไม่เคยพูดแฟนเขาว่างนั้นก็ลเลยบอกเออเดี๋ยวก่อนพ่องให้เรากินดีๆก่อนแต่รู้สึกดีนะแฟนเขายังบอกยันเราก็หมดแล้วตอนเนี้ยแฟนเขาบอกแก้วกินดีนะรู้สึกมือไม้ก็เบาปวดระกรรมได้นี่กรรมได้อยู่เนี่ย ผ้าเพอร์ น, นี่เคยยีได้แต่ก่อนจำไม่ได้เลยตั้งแต่กินบุญบนี่ดีมากเลยแล้วขาแข้งก็หายปวดไปพักเลยแล้วก็เบาตัวสบายจริงๆแล้วมาช่วงนี้หยุดเงยเพราะว่าเราไม่มีไรายได้อะไรเลี้ยงหลานใช่ไหมง่ว อ, อยู่เงี่ยไม่มีไรายได้แต่ก่อนมีไรายได้โอ้แต่ก่อนมีไรายได้ก็เดี๋ยวสั่งลูกเดียวเลยตอนนี้ไรายได้ไม่ค่อยมีเราเลี้ยงหลานยังหลานยังเล็กอยู่ก็เลยไม่มีไรายได้แล้วก็ เ, เงินที่เรามีบ้างเราก็สั่งบ้างอะไรบ้างนิดๆหน่นนอยๆ แต่กินดีกินดีมากเลยเนี่ยมันปวดกระทังเมื่อวานหน้าคิดเก็บตังค์ไม่ได้ยังไ ม, ไ, ไม่ได้ถึงพาเอาชุดแล้วเอาเอ า, เอากระปุกไม่น้อยก่อนเดี๋ยวพอเรามีไรายได้ดคีค่อยสั่งชุดใหญ่กระปุกกรแฟนวเราต้องกินสองคนใช่ไหมล่ะแต่กินดีนี่ก็บอกเขาหลายคนเลยนะแล้วก็น้าแฟนที่เขาอยู่จุมแสมกันน่ะนี่ก็บอกเขาบอกกินดีมุนไวย์อ่ะเจอยาดีแล้วไป อ, อย่างไปกินยาหลวงนะหมดเป็นแสนแล้วนะเนี่ยเนี่ยขาแข้งพอกินยารู้สึกว่าพอยามันหมดใช่ไหมล่ะปวดอีก จะมากินมนะุนใบเนี่ยรู้สึกว่าถ้าเรากินต่อเนื่องหนักๆนะอาจจะหายเพราะมันดีอ่ะมันเบาอ่ะมือไม้เนี่ยมันคืนกระนวดเนี่ยนวดไอ้มุญใบนะไอ้ไอ้น้ำมันนะกดใหญ่ยังอยู่ไงนวดด้วยมาคืนแพร่เขาก็นวดของเขาแล้วนี่ก็นวดขาด้วยก็เบาแต่ไข้เส้มันหมดไงก็เลยบก่กเออรีบสั่งที่เนี่ยดีเจเอ็มกับอดี uh, เจฟ้านี่ยฟังฟังอยู่สองเครื่อเนี่ยเก้สิบเจ็ดจุดห้ากับแปดแปดจุดห้าฟังมาอยู่สองเครื่องชอบฟังเดี๋ยวค่ะคุณนะ คุณน้าก่อแก้วคะที่บอกว่าอาการที่บอกปวดขาเนี่ยเวลามันปวดเนี่ยมันปวดยังไงบ้างคะแบบมันมันมึงมันโหมันปวดอะปวดจริงๆอะปวดเวลานั้นเวลาจะนั่งทํำไมต้องทังแข่งทา้งขาเลยอะโอ้เนี่ยแบบแบบมันปวดนะนะมันตึงอ่ะมันตึงแต่พอทาทาไอ้น้ำมันคลายเส้นนะแล้วกินยาเส้นเออรู้สึกมันดีรู้สึกเส้นมันจะหยิ่นแล้วไงมันไม่ปวดนะแล้วก็นั่งได้เลยๆก็คือเหมือนกับว่าต้องต้องใช้เวลานะเพราะว่าเป็นวันนี้นี่เป็นมาต้องหกปีแล้วอะ โอ้เป็นมาหกปีก็นานอยู่ใช่ก็จะพยายามก็จะกินไปเรื่อยๆไงกยกินไปสักปีสองปีเผื่อเราจะได้ดีมันจะได้เบาเงินรักษาเนี๋ยเพราะเราจนเราไม่ใช่คนรวยอ่ะอือค่เช้ากินข้ามค่ะแล้วคุณน้ากรอบแก้วเอ่อถ้าเกิดมีคนสนใจค่ะบอกว่าเอ้ยกลัวแบบจะโดนหลอกหรือเปล่าเนี่ยไม่มั่นใจเนี่ยโทรไปหาน้กรอบแก้วได้ไหมเนี่ยอ๋อได้ตอนนี้นะบอกเ้าหมดแล้วนะเนี่ยแถวเนี้ยอืมเนี่ยเบอร์เะศูนย์ห้าหกสองหก สองสองหกห้าหกแปดบ้านนี้ก็บอกนะเนี่ยเนี่ยนี่ก็ยังบอกแม่บอกพี่สาวบอกคนข้างๆบ้านบอกเขากินดียาก็ดีมากอาหารเสริมตัวนี้ไม่ไม่มีสารอื่นอะไรเนี่ยเขากินยังหายทุกคนเลยก็ยังบอกเขายากของแฟนนะนะที่เขาอยู่ชุมแสงบอกว่าถ้ามีจังเงี้ยจะซื้อไปเผื่อให้กินกินดีมากเลยอาหารเสริมเขา่เจอยาดีแล้วเราจะไม่ต้องไปเสียงเงินมากไงโอ้ไปหาหมอทิงคลินิกนะนี่ไม่เคยเข้าโรงพยาบาล น, นะแต่ก่อนนี่มีไรายได้ดีนะเข<ะ>าจะคลินิกไปทีกับสองพันไปทีกับสามพัน โอ้เนี่ยคิดเตี้หกปีนะแสนก็ บ, บาทแล้วนะั่งคิดอะอืมตอนนั้นไรายได้ดีขายของไงช่วงนี้เราเก่แล้วนะมันห้าสิบเป็นเบาหวานด้วยแต่ไม่ได้เป็นความดันนะเบาหวานไซนัตแล้วก็รู้สึกว่าช่วงนี้มันจะปวดหัวมากมันจะเกี่ยวกับไมเกรนหรือเปล่าไม่รู้นะว่าถึงเนีจยสั่งยาไปนี้ไงเดี๋ยวกล่าว่าสิ้นเดือนมกราไปแล้วนะถ้ากินอีชุดที่สั่งนี่มาเนี่ยนะสองกระปุกเนี่ยถ้ากินเดียสิ้นเดือนนี้จะสั่งชุดใหญ่ละลูกสาวจะซื้อให้พอบอกว่า เพ า, านี่บอกกับลูกสาวยาเขาหันเสริมตัวนี้กินดีลูกแม่จะกินอย่างนี้ไปเรื่อยๆไงจนกว่าพ่อกับแม่จะดีขึ้นเราหาเสร็จแล้วจะได้บอกต่อๆไปไงเราก็ได้บุญด้วยไงอืมยินดีด้วยนะคะเดี๋ยวทวนเบอร์นะคะเบอร์ศูนย์ห้าหกสองหกห้าหกแปดแปดค่ะเดี๋ยวว่าคันใดสนใจโทรหาคุณกัโอเคเลยจงไม่ต้องกลัวแถวบ้านนี้นี่บอกเ้าหมดเลยบอกว่าถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวนี่สั่งมา เขาบอกเออองั้นมันบอกงั้นปากแก้วกินไปก่อนราการเออเดี๋ยวกินดีเดี๋ยวก็จะบอกไม่ต้องกลัวค่ะค่ะทางรายการมูลไบรทก็ต้องขอขอบคุณคุณเกาะแก้วเรืองศรีเป็นอย่างยิ่งนะคะค่ะ่สวัสดีค่ะค่ะขอบคุณค่ะชาหมือชชาเท้าปวดเมื่อยตามร่างกายนึกถึงชุดน้ำมันมูลไบรท์จำ ชามือชาเทา้าปวดเมื่อยตามร่างกายนึกถึงชุดน้ำมันมูลไบรทจะปวดหรือชาแค่ไหนอย่าลืมใช้ชุดน้ำมันมูลไบรทสอบถามได้ที่เบอร์0 8, 7 7. 0 8 1 3 9 4 6 9หนึ่งสาเกสหเก้าเจ็ดเจดจําศูหนึ่งสามเกสหเก้าเจ็ด เดี๋ยวเรามาฟังตัวจริงเสียงจริงของคุณวัชระแสนศิระกันค่ะสวัสดีค่ะครับเดี๋ยวให้คุณลุงแนะนำชื่อนำสกุลและที่อยู่ค่ะเอ่อชื่อวัชระแสนศิระนะครับค่ะเอ่อที่อยู่เจ็ดเก้าหนึ่งทับหนึ่งอ่อเอ่อซอยสิบสองตบลนกรสวรรคตก อำเภอเมืองจังหวัสดสกลสวรรค์หมู่สิบนะครับหู่สิบสกลสวรรค์ตุกอำเภอเมืองจังหวัสดสกลสวรรค์ครับค่ะอยู่แถวแถวชุมชนใจงเงี่ยมใช่ไหมคะเออชุมชนใจงเงี่ยมครับซื้อเดิมนะค่ะคุณวัชระค่ะเออได้นําผลิตภัณฑ์มูลไบรยเนี่ยไปให้ใครใช้คะใ ห, ให้ให้ลูกสาวใช่ครับอาการเดิมของลูกสาวนี่เป็นยังไงคะอาการเดิมลูกสาวนี่นี่เขาผ่าตัดสมองนะครับเป็นเนื้องอกในสมอง ผ่ามาแล้วเขาก็เกิดเป็นในการไหลไหลติดแขนติดไหลติดเะไรเงี้ยค <ฮะ S 2> ่ะไปหาหมอที่โรงพยาบาลก็เขาก็ให้ยามาแล้วก็กินก็ก็ดีแป๊บเดียวแล้วก็เป็นอยู่งั้นแหละพอมากินบูไบนไพรก็รู้สึกว่าเขาบอกว่าอาการดีขึ้นั <ฮะ S 2> ้ขาขาขากระชาด้วยแขนกระชาด้วยรู้สึกดีขึ้นว่านั้นเดี๋ยวพูดกับลูกสาวก็ได้นี่นั่งอยู่ใกล้ๆเงี้อ้าวขอเรียนสายลูกสาวแป๊บนึ่งค่ะครับครับอาเลยทุกทุก ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะอาการเดิมเห็นบอกว่าแขนชาขาชาไหลติดเหรอคะค่ะอืมเป็นมานานหรื อ, อยังจ๊ะเป็นสองปีแล้วคะ่ะอืแล้วชาแขนชาขาทำงานได้ไหมทำได้ค่ะ ทำได้แต่มันก็ชาแขนชาขาเนะาะค่ะแล้วเป็นไงของมูลไบรท์ใช้ดีไหมคะใช้ดีค่ะตอนรแรกยังออกลังกายไม่ได้ตอนที่ยังไม่ได้กินมูลไบรท์ค่ะออกลังกายไม่ได้พอกินมูนไบรท์ก็ออกลังกายได้ค่ะอือคือพ อ, อใช้ใช้มูลไบรท์กินมูลไบรท์ก็ออกกาลังกายได้ แล้วก็การไหลตี๋แล้วก็ไปบ้านของคนข้างๆเขาก็ให้ออกกำลังกายค่ะไม่น่าเชื่อนะคะฉันคุยกับคนที่เคยผ่าตัดสมองมาแล้วค่ะแล้วทุกวันนี้อาการดีขึ้นเบาตัวเลยไหมคะสบายตัวเลยไหมค่ะค่ะขอขอคุยกับคุณพ่อหน่อยค่ะค่ะว่างเงีลล ค่ะคุณลุงวัชระคะเอ่อาอากา ร, รกน้องน้องก่อนหน้านั้นน่ะเขาเขาเป็นผ่าตัด น, นิสมองเนี่ยเวลาเข า, ขาทาแขนทาขาไหลติดเนี่ยเดินคล่องไหมเดินได้อยู่เดินได้อยู่แต่ยังไม่คล่องอแต่พอพอกินสมุนไบ้แล้วก็มีทั้งคาทั้งไหลชนิด เ, เขาบอกยาทาก็ดีเขาบอกงั้นทำให้เขาแขนแข็งแขนได้ไรได้ อ๋อแล้วลุงก็ปวดเข่าเนี่ยลุงก็ปวดเข่าเวลาเดืนเนี่ยลุงอายุใกล้เสร็จเจ็ดสิปีแล้วเออหกสิบเก้าแล้วลุงก็ปวดเข่าก็ราะลุงลุงยาทามาทานะ่ะมันก็ดีขึ้นนะมันก็ไม่ปวดนะเออมันก็ไม่ปวดวันนั้นลุงเลยสั่งซื้อยาทามาอีกเนี่ยายาทามหมดแล้วค่ะครับคุณลุงคะเออคุณลุงอยากจะพูดอะไรกับ คนฟังแม่ไหมคะบางคนเนี่ยคิดว่าตัวเองแค่ปวดปวดเมือมอมอ่อยเนิ่งนิ่งน้หน่อยปล่อยมันไปเถอะเดี๋ยวมันก็หายเองแล้วก็ไม่ดูแลรักษาตัวเองไม่ป้องกันตัวเองอะ่ะล<ฆ>ุงคิดว่ายังไงคะก็มันมันหายเองยากนะครับเพราะว่าโดยเฉพาะอายุคนมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยนะะ<ฆ>มันก็นจะหายเองยากแต่ว่าถ้าใช้บุญปลาแล้วก็รู้สึกว่าทั้งทาทั้งกินนะ่ต<ฆ>อนแรกผมให้ดูควารกิน กินเข้าไปครั้งแรกนะี่ยมันก็จะถ่ายบ่อยถ่าย <ฮะ S 2> สองครัง้สงสามครั้งวันหนึงนะ่งอ่ะขับขับออกมานะขับของเสียออกมาขับ <ฮะ S 2> ของไม่ดีออกมา <ฮะ S 2> ทีนี้พ อ, อหนึ่งอาทิตย์พอหมดจะหนึ่งอาทิตย์แล้วก็จะกินอีไข่เส้นอีสามอาทิตย์ใช่ไหมตามหลักอะ่<ฮ>ะทีนั้นก็คือว่าเขาเขาดีขึ้นผมก็เลยแปลกใจว่าเจะต้องซื้อสั่งซื้อเขาเรืนนะ่อยๆใช่ไเนี่ยเพราะงั้น <ฮะ S 2> ผมว่า <ฮะ S 2> ดีดีมากผผมอยากจะให้คนที่เป็นโรคเส้นโรคปวดเนื้อปวดตัว ตามหลังตามเอวตามหัวเข่าเนี่ยผมว่าน่าจะลองทานดูน่าจะดีขึ้นแต่แต่ไม่ผู้ลูกสาวผมใช้เพลงเพิ่งได้ยี่สิบกว่าวันนั่นเองเห็นเห็นผลแล้วคือคุณวัชระกำลังจะฝากบอกกับทุกคนว่าไม่จำเป็นต้องรอให้หนักเราสามารถใช้มูลไรเพื่อป้องกันไม่ให้มันเป็นหนักได้ถูกไหมคะครับขนาดลูกสาวอาการหนักแล้วชามือชาเท้าไหลติด เขายังหายเลยโอ้โอะไรติดแขนติดยังเบาเล ย, ยเบาลงเยอะเลยเบาลงเยอะอย่าปล่อยให้เป็นหนักใช่ไหมคะคุณลงุงเอ่อยาอย่าปล่อยให้เป็นหนักแล้วมันจะรักษายากครับอืมเดีย๋ยวผมก็คงจะสั่งซื้อไปเรื่อยๆนะครับค่ะขอบคุณค่ะวัชระรายการมูลไบรท์ก็ต้องขอขอบคุณนะคะคุณลุงวัชระแสนศีระเป็นอย่างยิ่งนะคะคที่ได้มาบอกเล่าแล้วก็เน้นย้ํากับท่านผู้ฟังนะคะว่า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 สั่งชุดน้ำมันมูลไบรท์ชุดใหญ่รับของแถมฟรีชุดใหญ่เท่านั้นที่มีของแถมก่อนที่เราจะมาติดตามเนื้อหาสาระดีๆในช่วงนี้เรามาฟังนักร้องเสียงคุณภาพจาก The h e อะ a วโอล์ท์ไทยแลนด์ย่น บนเมูน่นกกาก็บินมาสุรังให้มาคิดถึงท้องทุ่งนาเสีจังป่านชนี้คงคอยว่าเมื่อไรจะกลับมา เส้นคือเริ่มเป็นเป็นหายหายเนี่ยให้พึงรู้ไว้เลยว่าท่านเป็นโรคเส้นแล้วเนี่ยให้รีบรักษานะเพราะไม่ฉะนั้นเนี่ยพอเป็นมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยมันก็ยากเกินกว่าที่จะหายนะฮะอ่าบางท่านก็เคยบอกกับฉันว่าโอ้เป็นเองเดี๋ยวก็หายเพราะว่าตอนนี้ฉันก็เป็นเป็นหายหายอยู่แล้วมันคงไม่เป็นมากหรอกนะแต่พอนานวันเข้าเนี่ยหนักๆเข้าก็เป็นจนกระทั่ง เป็นมากขึ้นจนเป็นอมาภึกอมาพาธเลยก็มีนะคะดังนั้นที่ฉันก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านเนี่ยลองมารักษาเส้นกับผลิตภัณฑ์ของมูลใบกันดูนะค ะ, ะว่าช่วยแก้ไขปัญหาโรคเส้นได้อย่างไรนะคะท่านทราบหรือไม่คะว่าผู้ที่มีปัญหาเป็นโรคเส้นเกี่ยวกับเส้นหลังเนี่ย เส้นหลังนี่เป็นหัวใจของเส้นเลยนะเพราะว่าเป็นศูนย์รวมเส้นหากท่านมีปัญหาโรคเส้นที่หลังเนี่ยต่อไป่มันก็จะมีลงขาด้วยนะคะคือเส้นหลังเนี่ยถ้าเป็นปัญหาปุ๊บเนี่ยถ้าไม่ขึ้นหัวก็ลงขานะคะถ้าหากว่าเส้นหลังเนี่ยรั้งขึ้นหัวก็จะเป็นไมเกรนนะคะเป็นโรคปวดหัวถ้ารั้งลงขาท่านก็จะเป็นโรคปวดหัวเข่านะะแล้วก็เป็นโรคชาเท้านะคะ คือ ท, ท่านท่านทราบไหมคว่าหากท่านเป็นเส้นหลังปุ๊บเนี่ยประการแรกเลยถ้ามันลงขาปุ๊บเนี่ยอาการเบื้องต้นของโรคเส้นที่ลงขาก็คือปอดวะะปอดหัวเข่านะฮะถ้าปวดหัวเขานานวันขึ้นเนี่ยมันก็จะลงไปที่เท้านะฮะท่านก็จะชาเท้าตามมาด้วยนะคะคือมันมันมันมันเป็นเรื่องที่ว่าไม่น่าเชื่อมันก็ต้องเชื่อนะทังทั้งที่ผมเคยไปไหนมาทัวทุ่งทัวทา่าแล้ว ไม่เคยผมกินหมดนะปุกหมู 2,000-1,500 นห้าถึงได้บางทีเมค่อยหร่มีการก็ยอมปูปูมีเงินถึงข้นมาซื้ออยากตัวหายก็มาเนี่ยมีเนี่ยมีเน่ยเชื่อได้เลยรับรองได้ 100% นะ 100% เลยคุณสุเทพมีเงันมันโดนกับตัวเองคือมันโดนกับตัวเองนะ เนี่ยมันโดยมันตัวเองเนี่ยคือรับรองได้เลยว่าโอเคเลยล่ะใช้ได้ค่ะค่ะทางรายการมูนไบรท์ก็ต้องขอขอบคุณคุณสุเทพเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้มาบอกเล่าประสบการณ์ชีวิตแบบโดยตรงของตัวเองเลยว่าตอนเนี้ยวัดดีขึ้นจากมูนไบรท์แล้วนะคะทางรายการต้องขอขอบคุณคุณสุเทพเป็นอย่างยิง่งค่ะครั บ, ร บ, รบสวัสดี ค, ค, ครับ เดี๋ยวเรามาฟังตัวจริงเสียงจริงของคุณสุเทพกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะเดี๋ยวให้คุณสุเทพแนะนำชื่อนามสกุลและที่อยู่ค่ะคอ่าผมอยู่บ้านเลขที่สามห้าสี่ครับสองค่ะอ่าหมู่สีครับค่ะนครสวรรค์ตกครับอําเภอเมืองนครสวรรค์ใช่ไหมคะครับจังหวัดนครสวรรค์ครับค่ะชื่อคุณอะไรนะคะ เชจันธรักําจรครับอ๋อคุณสุเทพจันทระกําจรนะคะครับค่ ะ, ะค่ะถามนิดนึงค่ะว่าอ่าถามนิดนึงนะคะว่าคุณสุเทพอะค่ะอาชีพของคุณสุเทพเนี่ยทําอะไรอยู่คะอ๋อผมเป็นหัวหน้ารับเหมาสรางงานก็ไปนะครับงานก่อสร้างค่ะเป็นหัวหน้ารับเหมาก่อสร้างตอนนี้อายุเท <ด S 1> ่า ไ, รไหร่แล้วละคะ ตอนนี้ก็อยุห้าห้าสิบห้าแล้วครับห้ <55. S 2> า, มมาสิบห้าก็ทํามาตั้งสี่สิบสี่สิบกว่าปีอะกว่ปีเลยค่ะแล้วอาการที่เป็นนะคะเป็นอะไรมาจ้ะเพ อ, อที่อาการที่เป็นนี่มันมีอยู่ไว้วันหนึ่งนะผมขึ้นไปบนหลังคามันสูงประมาณสักหกเมตรได้อ่ไอ้มันไม้มันหักหลังคานะไม้คือไม้มันหักทีนี้ผมก็ตักตกลงมานะ่ะคือตูดตูดกระแทกพื้น Mm hmm. อ่าตรวจแต่ได้พืชต้นนี้มันก็เดินเดินเดินไม่ได้เลย mm hmm. อ่าก็ไปโรงพยาบาล น, นั่นเนี่ยโรงพยาบาลก็ไปรักษาอยู่ประมาณเดือนกว่าค่ะ <c oughs> ก็มาพั ก, พ, กพักพฟื้นที่บ้านพักเดือนนี่มันก็อาการมันก็มันมันก็ไม่ไม่ไม่หายแล้วมันก็มันก็ปวดอยู่นั่นเนี่ย ปวดเราปวดไปจนเดาว่าทนไม่ไหวต้อ ง, องเขาข้าโรงพยาบา 3, ลสามสี่ครัง้งคือยงเอาโรงพยาบาลไปเรื่อยค่ะที่บอกว่าปวดจนทนไม่ไหวเนี่ยตอนรักษาอยู่ในโรงพยาบาลยังพอเดินไหวไ้ยคะเดินไม่ได้เลยครับเดินไม่ได้เลยครับครับ ข, ขาเขา ข, า, ข, า, ขามันขาสองข้างเนี่ยมันชาั้งหมดนะค่ะชาหมดเลยลเดิ น, เ ด, นเดินไม่ได้เลย อนนี้หมอเขาก็เขารักษานะ่แต่แบบเพราะว่ามันกระดูกมันแตกกระดูกมันแค่ลาวนะลาวแล้วนี่มันจะกดเส้นประาาสาทนี่เนหะ<ะ>็นรู้ว่าทาไปนี่ผมก็รักษาไปเรื่อยอะไรดีผมก็ลองหมดกินหมดที่ไหนดีผมก็ไปนะรักษามาสามสี่ปีอ่ะรักษาเนะี่ยค่ะ เนี่ยไหนดีผมก็ไปไหนดีผมไปรายการนีผมก็ฟังมาตั้งนุ้งนานล้ฟังวัมุนไบเนี่ยนะฟังมานานแล้วโอ้โหวจะตัดสินใจได้โนานนะเนี่ยเพราะว่าเราก็ลองมาหลายอย่างอ่ะนะแล้วมันก็มันทาให้ใจเรามันแบบยังไงละมันไม่่อยกล้าแลวมันชักอ พอมันหลโอ้โหไหลขนาดมันก็ไม่เห็นว่าเราจะมันเลยนะจะดีขึ้นหรือ่าดีขึ้มนมาหน่อยอะไรเนี่ยมันแค่ไอท่าเดิรมันเนี่ยก็เลยเราก็ต้องตัดสินใจนะเปลี่ยงสักทีนะพอมันเขามีตัวเลือก <ฮะ S 1> อย่างเี้ค่ะไออย่างอื่นมันไม่มีตัวเลือกนะเข้าใจป่<ฮ>ะนังอื่นเนี่ยคือเขาเขาไม่มีตัวเลือกเลยแต่ของมุนไบเนี่ย เขามีตัวเลือกนะนมีชุดเล็กาทางใหญ่ให้เลือกอ่า ใ, <ห>ใช่ๆช่เนี่คือผมมาสะกิดใจอยู่ตรงนี้ไงแล้วว่าเขามีทางเลือกให้เร า, าลองฟังแฟนก็ลองฟังด้วยสองทิจรกินเข้าไปแล้วมันอยู่ประมาณสักผมกินไปได้แค่ก็สามวันหรือสี่วันเนี่ยนะค่<ฮ>ะเมื่อก่อนเนี่ยขาผมนะมันจะเปี้ย ม, มันจะเปี้ยคือไม่คือไม่มีแรงนะ สะเตียโอ้โหมอยากลุกไม่อยากไม่อยากทอะไรละสะเตียเพี้ยรี่หมดแล้วขาผมเนี่ยลุกขีมันเคยเพี้ยนะแต่มันคือม่มันมันมันน่าแกใจนะคือมันไม่เพี้ยแล้วอะแล้วใจเนี่ยเใจว่าเฮ้ยมันไม่ม่ไม่เพี้ยมันมันตัวไหนแม่เนี่ยผมก็คิดอย่างนั้นนะยาหมออย่างง้ไม่ไม่ใช่หมออย่างง้ไม่ใช่เลย ผมคิดว <Ừ. S 1> ่าม yani, ุนไบนี่เนี่ยมุนใบเนี่ยตอบตอบโจทย์เลยแหละคือว่ามันสามสี่วันเนี่ยต้นึกโอ้โหขนขนลุกเลยก็กิ่นกันหมดเดินเหินไปไหนเราก็ไปได้ลุกเท้าขึ้นมาก็ไม่มีการเพี้ยไม่มีการเตี้ยนะก็พาบาลแม่บ้านเขาก็บอกเแต่ทำไมมันผิปกติไปอย่นั้นหรออ๋อเนี่ยผมผมผมแบใจเลยนะ สุดยอดเลยอ่ะจากคนที่เดินไม่ได้ตกจากที่สูงหกเมตรเดินไม่ได้โอ<ช>้โหขาผมขามันผมจะไม่แรงเียอยู่นั่นแล้วผมโอ้โหผมรักษานี่ตั้งแต่ปีห้าสามน่ะค่ะผมรักษาแล้วตั้งแต่ปีห้าสามแล้วปีนี้ห้าแปดอ่ะผมผมรักษานัโอ้หที่ไหนดีเนี่ยผมไปหมดค่ะไม่รู้ว่าไปหมดก็มาชอบใจ้ริง วันนี้โทรเข้าไปไงล่ะทนปวดอยู่ทำไมต้องจ่ายเท่าไรถึงจะพอจะดีกว่าไหมถ้าหายปวดเบาตัวในชุดแรกที่ใช้ถ้าใช่ชุดน้ามันมูลไบรคือคำตอบสอบถามได้ที่เบอร์ศูน3 9แปดหนึ่งสามเก้าสี่หกเก้าเจ็ดเจ็ดยำศูปดหนึ่ง ส9 4 6 9 7 7สหเกเวลาของรายการมูลไรท์พาเพลินได้หมดลงแล้วพบกันใหม่ในเวลาเดิมสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ